แต่ก็มีคนแก่อยู่ในบ้านแล้วก็ต่อไปตัวเองก็ต้องแก่ด้วยเพราะนั้นที่พูดก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็ได้บอกกับผู้ที่มาฟังว่าพวกเรานี่เตถือเป็นผู้ที่โชคดีนะที่มีอายุยืนถึงขนาดนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ตายไป ก่อนที่จะอายุนะเจ็ดสิบปดสิบซะอีกนะส่วนใหญ่นะบางคนก็อายุแค่ไม่กี่ขวบก็ตายบางคนก็ตายตอนหนุ่มสาวใครที่มีอายุยืนนะเจ็ดสิบปดสิบนี่ก็ถือว่ามีโชคนะซึ่งก็เกิดจากการที่ได้ทําบุญทํากุศลเอาไว้เพราะถ้าให้ทําบุญทํากุศลไว้ก่อนนี่ก็คงจะไม่มีอายุยืนมาถึง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 อายุสีสบหกเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเป็นช่วงอายุที่มีความทุกข์มากที่สุดมีความสุขน้อยที่สุดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสุขก็ค่อยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเจ็ดสิบนี่ก็สุขกว่าหกสิบนะแล้วพอถึงแปดสิบนี่ยสุขที่สุดนะสุขกว่าอายุสิบแปดอีกทางด้านที่สิบแปดนี่เป็นช่วงขาขึ้นแล้วแปดสิบเป็นช่วงขาลงจะแปลกนะว่า คนที่อยู่ในช่วงขาลงเนี่ยกับมีความสุขมากกว่าขณะที่กำลังวังชาก็น้อยลงสุขภาพก็อาจจะไม่ดีนักเดินท้องก็น้อยลงรสชาบนาันดาสักก็หมดไปละขณะที่คนที่อยู่ในวัยกลางคนสี่สิบกว่าเนี่ยถ้าพูดถึงอาชีพพูดถึงตำแหน่งนเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ประสบความสาเร็จสูงสุสดเรียกพีก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 แต่ว่าส่วนรวมแล้วเนี่ยมีความเครียดมากกว่ามีความทุกข์มากกว่ามากกว่าคนในวัยเจ็ดสิบแปดสิบเขาก็สงสัยนะว่าไอ้ทาไมคนแก่เนี่ยจึงมีความสุขมากกว่าคนอายุสิบแปดมีความสุขมากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในวัยสี่สิบกว่าห้าสิบแล้วพบว่า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 มันต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้แต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยเขาเขาทำได้เท่าไหร่เาก็พอใจแค่นั้นยอมรับข้อจำกัดของตัวเองยอมรับว่าเราทำได้แค่นี้เออทำได้แค่นี้ก็ไม่เสียใจยไม่ทุกข์อาที่คนยิงดูอยางสารเนี่ยนะพอทำอะไรล้มเร็วนะก็ตี อ, อกชกหัวโมโหกลุ่มอกกุ่มใจบางคนเรียนไม่จบ ปริญญาเอกในะมีเพื่อนญี่ปุ่นคนนึ่งนะไปทําปริญญาเอกเกี่ยวเรื่องทําวิจัยทําวิจัยนิพนธ์เกี่ยวเรื่องตํารวจไทยไม่รู้ทำไมไปทําหัวข้อนี้ทํามาหลายปีไม่เสร็จแกเป็นคนที่เก่งมากนะแต่ไปเจอฤทธิดเดชตารวจไทยนะเขียนไม่ออกนะผ่านมาหลายปีก็ไม่เสร็จสุดท้ายแกก็วันนึงก็เอาเชือก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 ก็ครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานหรือว่าไปเที่ยวนะไปสนทนากับเพื่อนที่ร้านกาแฟมันง่ายนะเป็นความสุขง่ายๆนะไม่ต้องสะสมเงินทองเพื่อจะไปเลาะเสพสุขในวันข้างหน้าเพราะว่าความสุขนี่มันหาได้ทุกวันนะเรียกว่ารู้จักมีความสุขกับปัจจุบันนะไม่ไปรออนาคตจึงทำให้คนแก่นี่มีความสุขง่าย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 คนคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่นะภาพรวมนะโดยเฉลี่ยเนี่ยมีความสุขถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้เข้าวัดเข้าวา่าก็ตามเนี่ยธรรมาก็ถามคนที่มาฟังนะว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยคนที่มีอายุมากเจ็ดสิบแปดสิบจะมีความสุขกับตอนที่อายุสี่สิบห้าสิบเนี่ยให้ถามตัวองว่าเรามีความสุขมากกว่าหรือเปล่า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 โยมคนหนึ่งนะอายุสี่สิบกว่าแล้วพาแม่มามาหาตมาแล้วก็บอกให้ตมานียพูดกับแม่ว่าให้เลิกห่วงกังวลลูกสะทีเพราะว่าลูกก็อึดอัดส่วนแม่ก็เครียดเวลาลูกเนี่ยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีโยมคนหนึ่งมาหาที่ภูหลงแล้วก็อังกระถามาถวายรู้จักกัน หลายปีมาแล้วโยมคนนี้เนี่ยมีหลานน่ารักเนอะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยหลานอายุห้าขวบแม่จะพาหลานเนี่ยแม่คือลูกของโยมคนนี้ น, นะเป็นแม่ของเด็กจะพาไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศโยมันนี้แกก็ห่วง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 ตายด้วยความทุรนทุนรายก็จะนึกถึงลูกนึกถึงหลานบางทียังไม่ทันตายเลยเนี่ยก็เป็นทุกข์ละเมียห ม, มา่าคนหนึ่งนะห ม, มา่าคนหนึ่งเนี่ยนะแกรักหลานมากหลานอายุสามสี่ขวบจะไปคอย จ, ำ, จ, จำใจจำใยหลานเวลากินท่าตลอดเวลาทั้งที่หลานนี่ก็มีพี่เลี้ยงแล้วหลานก็ลำคาญ น, นะก็สู้สู้กับห ม, มา่าอยู่เป็นประจำแล้ววันหนึ่งมมาม่าก็ ป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้าใจวโคม่าด้วยโคม่าคือไม่รู้เนืรู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลไ ป, ไปได้วันสองวันเนี่ยค่ะที่พ่อแม่ลูกกํลาลังกินข้าวกันอยู่มื้อเย็นไอ้เด็กก็พูดขึ้นมาเลยวนะ่าอาม่าพอแล้วหนูไม่กินแล้วหนูอิ่มแล้วคนมันต๊ะนี่งงเลยนะอเด็กมันพูดกับใครนะ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 ใจเราเองเราเังสั่งไม่ได้เลยนอนไม่หลับสั่งให้มันหลับมันก็ไม่ยอมอยากให้คนอื่นรู้ใจเราแต่เราไม่รู้ใจตัวเองเราจะไปคาดหมายคุณจะมารู้ใจเราได้อย่างไรทีร่กินประสบการณ์ชีวิตมันจะสอนนะว่าเออจะไปคาดหวังจากคนอื่นได้ทาไมเขาก็มีวิจิทางของเขา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 หวงแหนงหวงแหนงทรัพย์แล้วก็โลภด้วยบางคนก็ทุ่มเททํางานมาทั้งชีวิตยาะสะสมเงินทองมีเงินมากนะแต่ว่าเสียดายที่จะใช้มันเงินเนี่ยมีไว้ใช้นะไม่ใช่มีไว้เก็บอระพุทธเจ้าก็ตัดเองเนะาะเงินเนี่ยมีไว้เพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงลูกหลานให้มีความสุขแล้วก็เอาไว้ใช้ในการ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 ลูกก็จ้างคนงานมาดูแลแม่พอแม่รู้ว่าจ้างเดือนละหมื่นกว่าเนี่ยแม่กุมใจแม่นี่บนบนแล้วบนอีกว่าพอเสดายเงินเงินเป็นหมื่น เ, เงินมีไว้เพื่อใช้เงี้ยเพื่อทำให้เกิดความสะดสบายมเมื่อลูกจะใช้เงินเพื่อแม่ก็น่าจะยินดีแต่กลับว่าลูกเสดายเงิน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 มีลายเนื้อตัวจะตายอยู่แล้วนะหมอก็บอกให้ปล่อยวางนะปล่อยวางเรื่องลูกพอบอกให้ปล่อยวางเรื่องทรับนี่แกหน้าอยู่คิ้วขมวดเลยแกไม่ยอมวันรุ่งขึ้นก็มีเพื่อนบ้านมาหามาเยี่ยมที่โรงพยบาบาลหน้าตาเลืกลักมาแกบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยยืมเงินแกหลายปีแล้วไม่คืนปรากฏว่า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 เพ ก, กลั ว, วถ้าเกิดตายนี้คงจะมาหลอกหลอนไอ้แบบนี้ถ้าเกิดว่าหวงแบบนี้แล้วไม่ปล่อยไม่วางนะ้วก็ตายไม่ดีนะเหมือนกับพระติสะพระติศะนี่ได้จีวรใหม่มาเป็นพระสมัยพุทธการสมัยก่อนจีวรนี่หายยากนะต้องไปเก็บจากศพนี่นพี่สามมาถวายไม่ทันจะได้ใช้ก็มรณะภาพกับทันหัน จิตสุดท้ายเนี่ยไปนึกถึงจีวรนั้นด้วยความเสียดายพอตายปุ๊เนี่ยไปเป็นเลนอยู่ในจีวรจากคนนะกลายไปเป็นเลนเนี่ยมันเรียกว่าตกชั้นตกต ก, ตกอันดับมากเลยจากพระจะกลายเป็นเลนนะแทนที่จะขึ้นไปเป็นไปขึ้นไปขึ้ น, ไปไปไปนสวรรค์เป็นเทวดาหรือว่านิพพานไปเลยเนี่ยกลายไปเป็นเลนเป็นหมายอย่างพอว่า น, นี่เป็นเลนนะ เพราะอะไรเพราะความหวงหวงความอะไราในทรัพยนะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการรู้จักนะปล่อยวางในทรัพย์นี่ก็สำคัญทรัพย์นี่ ม, นมีไว้เพื่อให้เราใช้นะไม่ใช่เพื่อเป็นนายเราบางคนเนี่ยยอมตายเพื่พอทนะรัพย์นะเพชรพลอยทอง อยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้เสีดายมากเลยนะเพชรพลอยนะอุตสาสะสมอุตสาเก็บพร้อมรอมริบนะซื้อทองหลายเส้นมันอยู่ในกองไฟทำไงวิ่งเข้าไปเลยนะวิ่งเข้าไปเพื่อจะเอามันออกมาพรากว่าออกมาไม่ได้ตายตายเพื่อมันอย่างนี้เรียกว่า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 อีกอันหนึ่งนะ้าที่ทําให้คนแก่มีความทุกก็คือความกลัวนอกจากโกรธนอกจากวิตกกังวลนอกจากอาหวงแหนแล้วเนี่ยอันนี้คือความกลัวกลัวอะไรกลัวตายที่จริงประสบการชีวิตก็เหมือนกันนะมันน่าจะสอนนะเออคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วคนที่ผ่าร่มามากก็จะเห็นว่าเอคนที่ตายดีก็มีนะคนที่ตายทรงก็มีนะ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 เร่งทำหน้าที่ให้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็นะเจริญสติทำสมาธิภาวนาและเลิกถึงความตายอยู่เสมอเชื่อมรณาสติก็พูดยาบแบบนี้นะจริงๆพูดยาวกว่านั้นนะแต่คิดว่าก็มาไล่พวกเราฟังว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ทั้งที่คนที่เป็น